สมาธิแบบฤๅษีกับสมาธิของพระพุทธเจ้า <S <S เขาไปกำหนดหมายเอาว่าสมาธิเนี่ยจิตต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเขาไปกำหนดหมายเอาโน่นถ้าใครทาไม่ได้ก็ไม่ใช่สมาธิแล้วอันนั้นมันสมาธิในฌานสมาบัติของพวกฤๅษีสมาธิของพระพุทธเจ้า